ข้อความในคู่ตการนิกายอุทานหรือมาขึ้นมหากัะสปะูตรข้อเจสบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นพระวิหารเวลวันกลันทกะนิวาปะสถานใกล้พระนครราชครึกเหตุการณ์นี้ก็แสดงว่าเป็นปฐมโพธิการเนี่ยะปฐมโพธิการก็คือ ช่วงยี่สปีแรกน่นะช่วงยี่สปีแรกของการตรัสรู้แต่นี้น่าจะช่วงต้นๆก็สมัยนั้นแลท่านพระมหากษัะนั่งเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่โดยบลังเดียวที่ถ้ำปิดผลิภูคูหาสิ้นเจดวันก็คือหลังจากอาพาธนะครั้นพอล่วงเจวันนั้นไปท่านพระมหากษัะก็ออกจากสมาธินั้นสมาธิอันนี้หมายถึงนิโรธสมาบัต พระมหากระสปะออกจากเนโรสมาบัติเมื่อท่านพระมหากัะสปะออกจากสมาธินั้นได้มีความคิดว่าถ้าะไรเราพึงเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครราชครือเถิดก็สมัยนั้นแลเทวดาประมาณห้าร้อถึงความขวนขวายเพื่อจะให้ท่านพระมหากระสปะได้บินทบาทห้าร้อยนี้ก็กลุ่มนั้นเอกนะกลุ่มผู้มีเท้าแดงทั้งหลายนะั่นนะ ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระมหากษัะห้ามเทวดาประมาณห้าร้อยเหล่านั้นแล้วนุ่งผ้าอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครราชครึกก็สมัยนั้นแลเท้าสักจอมเทพทรงประสงค์จะถวายบิณฑบาตแก่ท่านพระมหากษัสริยจึงทรงเนรมิตเป็นนายช่างหูทอหูกอยู่นางอสุรกัญญาชื่อว่าสุชาดากรได้หลอดอยู่ นางสุชาดานี่เขาเป็นลูกสาวของอสูรนี่นะก็เลยเรียกว่าอสูรกัญญาคือลูกสาวของอสูรครั้งนั้นพระมหากษัตริยเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครราชครือตามลําดับตรอกเข้าไปถึงนิเวศของเท้าสักกะจอมเทพเท้าสักกะจอมเทพได้ทรงเห็นท่านพระมหากษัตริยมาแตไ่ไกลเป็นกษัตริย์เป็นช่างหูกันนะครั้นแล้วออกจากเรือน ทรงต้อนรับทรงรับบาทจากมือเสด็จเข้าไปสู่เรือนทรงคดข้าวออกจากหม้อใส่เต็มบาทแล้วถวายแด่ท่านพระมหากษัสริบินธบาตนั้นมีโศปะและพยัญชนะเป็นอันมากครั้งนั้นแหลท่านพระมหากัสริคิดว่าสัตว์นี้เป็นใครน้อแลมีอิทธานุภาพเห็นป่า น, นี้ครั้งนั้นแลท่านพระมหากัตมีความคิดว่าเท้าสกกะจอมเทพหรือน้อแล ท่านพระมหากระส ป, ปะทราบดังนี้แล้วจึงได้กล่าวกับเทา้าสกกะจอมเทพว่าดูก่อนเท้าโกสีมหาบพิษทำกรรมนี้แลมหาบพิษจะได้ทำกรรมเห็นปานี้แม้อีกไม่น่าทำเลยนะอย่าต่อไปอย่าทำอีกนะเทา้าสกกะจอมเทพก็ตรัสว่าข้าแต่ท่านพระมหากระส ป, ปะผู้เจริญแม้ข้าพเจ้าก็ต้องการบุญแม้ข้าพเจ้าก็พึงทาบุญ ผู้ใดต้องการบุญผู้นั้นก็ต้องทำบุญสิเนาะครั้งนั้นเท้าสะกะจอมเทพทรงอภิวาท่ทานพระมหากรสปะทรงกระทําประทักศิลแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาตเปล่งอุทานสามครั้งในอากาศว่าโอ้ทานเป็นทานอย่างยิ่งเราตั้งไว้ดีแล้วในพระกรสปะโอ้ทานเป็นทานอย่างยิ่งเราตั้งไว้ดีแล้วในพระกรสปะโอ้ทานเป็นทานอย่างยิ่งเราตั้งไว้ดีแล้วในพระกสปะ ปรามาทานังนะหมายเป็นทานอย่างยิ่งเลยยากที่จะได้ทำแบบนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสับอุทานของเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเหาะขึ้นไปสู่บนเวหาแล้วเปล่งนะเปล่งอุทานสามครั้งด้วยที่โสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตะของมนุษย์ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แลจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ซึ่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบัตเป็นวัดนะก็คือพระภิกษุที่สมาทานเคร่งครัดในทุดงอะนะผู้เลี้ยงตนมิใช่เลี้ยงคนอื่นผู้คงที่ผู้สงบแล้วมีสติทุกเมื่อก็คือเทวดาและมนุษย์นี้เลื่อมใสในพระอาหารหันต์ผู้มีความมักน้อยสันโดษและขัดเกลาเป็นต้นนั่นเองนะก็คือ เทวดาและมนุษย์นั้นจะเลื่อมใสต่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันผู้ที่ปฏิบัติดีก็คืออะไรปฏิบัติดีด้วยศีลเพราะว่าผู้ที่ศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องสมบูรณ์นั้นก็คือผู้ที่แร่งครัดในทุดงเขวัตท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้เลี้ยงตนไม่ได้มุ่งจะเลี้ยงคนอื่นล้วคิดดูถ้าเอาเด็กมาเลี้ยงสัก50มันจะเป็นยังไงนะบินทบาต้มาเลี้ยงลูกศิษย์มณีน เ, นเล็กๆ50ิรูปจะเป็นยังไงนอ จับจับปูใส่กระด้งอันนะเคยสนทนากับพระรูปหนึ่งแบบเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมผมจะสบายได้ยังไงนะเนะี่ยเอาเด็กๆมาบวชอยู่ด้วย เ, เด็กมันก็คือเด็กก็ทะเลาะกันเลยถ้าเด็กทะเลาะกันอุปชานั่งยิ้มเลยใช่ไม่ใช่ก็กระจององแงกันนะนะั่นแหละไปบางแห่งนะเนีน่ยสมานเณนมีเป็นร้อยเนี่ยนะนะแม่เน้นก็เด็ก คนมีกิเลอ่ะนะมันก็ทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ทะเลาะกันตีกัน <c oughs> พอเพิ่งบวชมานะ่บวชมานันคนที่คอยคนที่คอยเลี้ยงคนอื่นเนี่ยนะจิตใจเนี่ยไม่คงที่หรอกขึ้นๆลุ่มๆุมดอนดอนเวลาที่พวกเด็กน่ารักก็สบายใจใช่เวลาเด็กกระจองอแงก็เดือดร้อนแต่ว่าผู้ที่ไม่คอยห่วงไม่คอยพะวงในการเลี้ยงผู้อื่นก็เป็นผู้ที่คงที่ คงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้ายิ่งสงบหมายถึงปรินิพานแล้วด้วยยิ่งมีความสุขมากท่านพระมหากระสปะเนี่ยถือว่าท่านเป็นที่รักใคร่เป็นที่เลื่อมใสรักใคร่ตัวนี้แปลว่าเลื่อมใสนะท่านเป็นที่เลื่อมใสของบิดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่มาดู <c oughs> ข้อความในอัตกถาก่อนอที่บอกว่าพระมหากระสปะออกจากสมาธิเนี่ยนะ อาจารย์บางท่านบอกว่าสมาธิอันสัมปยุตธ์ด้วยอรหัตผลก็ท่านพระมหากระสปะนั้นเข้าสมาธินั้นมากเพื่ออยู่สบายในปัจจุบันและสามารถยับยั้งอยู่ถึงเจวันด้วยพระสมาธิท่านพระมหากระสปะนี้อาจารย์บางท่านท่านบอกว่าเข้าอารหัตผลสมาบัติอย่างเดียวเจดวันเหตุผลเอาอะไรมากราบสมอ้างว่าพระมหากระสปะทําอย่างนั้น เหตุผลก็บอกว่าจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสถาปนาท่านไว้ในฐานะอันเสมอกับพระองค์ในอุตริมนุสธรรมต่างด้วยอนุปปภพวิหารสมาบัติ9และอภิน ญ, ญาหกเป็นต้นน้อยนักเนี่ยนะสาวกที่พระพุทธเจ้าจะยอมรับว่าเหมือนกับพระองค์เสมอด้วยพระองค์เนี่ยนะก็มีพระมหากระสปนนี่แหละที่ที่พระพุทธเจ้ายกย่องเช่นนั้นว่าอย่างเช่น เราเนี่ยหวังสงัาจจากการมทั้งหลายสงัาจจากกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมมชานมีปีติสุขเกิดจากวิเวกเพียงใดดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้กสปะหวังอยู่ก็สงัาจากการมสงัาจจากกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมมชานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกเหมือนฉันนัน้นก็คือยอมรับว่าพระองค์ได้ปฐมมชานอย่างไรพระมหากสปะก็ได้ฉันนั้นตลอดจนถึงทุติย่าชานตตาติย่าชานจตุทชาน อากาสารนัญจายตนาวิญญาณัญจายตนาอากินจัญญายตนาและเนวสัญญานาสัญญายตนาตลอดจนถึงสัญญาเวทายตานิโรธคือนิโรธสมาบัติหรือพระองค์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้อย่างไรพระพุทธพระมหาคส ป, ปะก็แสดงได้ฉะนั้น น, นะหมายถึงปาฏิหาริย์ทั่วไป ไม่ควรกล่าวว่าพระกระสปะทำยมกับปาฏิหาริย์ได้เช่นกับพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นหมายถึงการแสดงฤทธิ์โดยทั่วไปนี้ทําได้เช่นพระพุทธเจ้าเหาะได้พระมหากสปะก็เหาะได้เป็นต้นนั่นเองฝ่ายพระโบราณอาจารย์ไอคําวิจารณเมื่อกี้นี่หมายถึงอาจารย์บางท่านนะนะโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าออกจากนิโรสมาบัติออกจากพระนิโรสมาบัตินิโรสมาบัติก็คือคืออะไร ถามว่าอย่างไรนิโรธสมาบัติท่านจึงกล่าวว่าเป็นสมาธิเพราะตอบว่าอัดว่าตั้งมั่นก็อัถะว่าความตั้งมั่นเนี่ยคืออะไรคือเพราะนิโรธสมาบัติเป็นคุณธรรมไม่หวั่นไหวด้วยธรรมะอันเป็นค่าศึกเพราะความเป็นธรรมะที่พึงตั้งมั่นไว้โดยชอบคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีพูดถึงความเชี่ยวชาญในฐานะที่กล่าวแล้ว ประสงค์จะอยู่อย่างนั้นพึงตั้งมั่นความไม่เป็นไปโดยชอบทีเดียวแห่งความสืบต่อแห่งจิตและเจตสิกตลอดเวลาตามที่ประสงค์ด้วยการบรรลุภละสองเจริยา16คนที่จะเข้าพร ะ, เ, ะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ที่ได้มีกำลังสองแล้วก็เจริยา16 จึงจะสามารถดับจิตและเจตสิกได้เขาบอกว่าดับอะไรดับยากที่สุดก็คือดับจิตเจตสิกนี่แหละดับยากมากถ้าหากว่าไม่เป็นผ้าอาหารจริงๆก็ยากที่จะดับได้ก็กินยานอนหลับสิดับจิตเจตสิกไม่ได้ยานอนหลับไม่ได้ดับอะไรหรอกนะนะไม่ได้ดับจริงๆอะไรเอ่อที่เรียกว่ากําลังสองคือสมถะภะและวิปัสนาพภะกําลังของสมถะวิปัสนานี้จะต้องเยี่ยมและ ญาณจริยา16ญาณจริยา16ก็คืออนุปัสนา7ก่อนชั้นแรกก็อนุปัสนา7ก็คืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนานิพพานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาปฏินิสคานุปัสนาวิวัตนานุปัสนาแล้วก็มัรคยานอีกสผลรยาณอีกสรวมเป็น16 ก็แสดงว่าเชี่ยวชาญในอนุปัสนาเชี่ยวชาญในวิวัฒนานี้บางแห่งก็บอกว่าคือโคตรภูยานแล้วก็มีมรคยานผลยานอีกต้องได้มรคสี่ผลสี่อันนี้พูดแบบเต็มเปี่ยมมันนะสำหรับผู้ที่เป็นพระอารหันต์พระอารหันต์นี่จะต้องได้ยานนะยาณจริยาสิบหกนี้ถ้าเป็นพระนาคามีก็14ใช่หมสิบสี่ตัดอรหั ต, ตมรค ก, กับตัดอรหัตตผลออกไป พระนาคามีก็จะได้ญาณจริยาสิบหกแลขออภัยสิบสี่ถ้าผ้าอาหารก็ได้สิบหกด้วยสมาธิจริยา9ญาณจริยาสิบหกส่วนสมาธิจริยามีเก้กคืออะไรก็คือสมาบัตแปดก่อนปฐมชานทุติยาชานตาติยาชานจตุตชานและอรูปฌานอีกสี่บวกอุปจาระสมาธิของสมาบัตแปด หมายถึงว่าก่อนจะได้ปฐมฌานต้องได้อุปจาระสมาธิก่อนก่อนจะเข้าธุติยะฌานก็ต้องอุปจาระสมาธิก่อนก็อุปจาระสมาธิถ้าบางแห่งเนี่ยบอกว่าแดเลยแต่ตรงนี้นับแค่หนึ่งก็พอก็คืออุปจาระสมาธินับหนะึ่งะบางแห่งก็นับแปดไปเลยแต่ตรงนี้นับหนึ่งก็พอบัญชานแปดนะหรือสมาบัตแ8ดบวกอุปจาระสมาธิอีกหนึ่งเป็นเกด้วยอาการระงับสังขารสาม ในธรรมะนั้นๆนนะก็ต้องระ ง, งับอะไรระ ง, งับกายสังขารวจีสังขารและจิตสังขารความที่โนิโรธสมาบัตินั้นพึงตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นชื่อว่าอัถะแห่งความตั้งมั่นในที่นี้ก็ต้องดับสังขารสามได้นะด้วยเหตุนั้นวิหารธรรมนี้ท่านจึงกล่าวว่าสมาธิเพราะอัถะว่าไม่ฟุ้งซ่านด้วยเหตุนั้นแม้อัถฐแห่งการเข้านิโรธสมาธินั้นพึงทราบท่านกล่าวไว้แล้ว ยิงอยู่ในปฏิสัมพิธามมัคนิโรสมาบัติยา น, นิเทศนี้ท่านหมายเอานิโรสมาบัตินี้ถามว่าเป็นอย่างไรสมมุติถ้าใครที่จะเข้านิโรสมาบัตินะเชื่อว่ายานในสัญญานิโรสมาบัติเพราะประกอบด้วยพระสองคือยานพระและเออนะนะสมถะพระวิปัสนาพระใช่ไหมความสงบระงับ3ญาณจริยา16สมาธิจริยา9เพราะความเป็นผู้เชี่ยวชาญ อธิบายตามลำดับว่าทวีหหตุผลเหิได้แก่พะละสองคือสมถะพละและวิปัสนาพะละสำหรับผู้ที่จะเข้านิโรสมาบัติได้เนี่ยนะกำลังคือสมถะกำลังคือวิปัสนาหรือกำลังคือปัญญานี่ต้องเก่งจริงๆส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับนิโรสมาบัติท่านบอกว่าไปดูในวิสุทธิมตรตนะวิสุทธิมตรตนิโรสมาบัติในเทศโน่นนะ นี้ถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าทำไมพระเถระคือพระมหากรสปะไม่เข้าพระสมาบัติท่านจึงเข้านิโรสมาบัติล่ะเหตุผลก็เพราะจะอนุเคราะห์เรลาสัตว์นนะก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าการดำรงอยู่การมีชีวิตอยู่ของพราอรหันทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสัตว์ท่านพระมหากรสปะเถระนี้ใช้สมาบัติแม้ทั้งหมด โดยมากท่านเข้านิโรธสมาบัติเพราะจะอนุเคราะห์สัตว์เมื่อท่านเข้านิโรธสมาบัตินั้นแล้วออกสักการะแม้มีประมาณน้อยที่เขากระทําย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเป็นพิเศษแหล่ปกตินี้ถ้าทําบุญกับผ้าอรหันทั้งหลายก็ชื่อว่าบุญมากอยู่แล้วแต่ถ้าผ้าอรหันเข้านิโรธสมาบัตินี่นะยิ่งมีผลมากยิ่งมีอนิสงฆ์มากคล้ายๆกับ ผู้ที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าที่ได้บุญมากพิเศษจริงๆอ่ะคือบินทบาทสองคราวคือบินทบาทของนางสุชาดากับบินทบาทของนายจุนทนายจุนทะกรมมารบุตรเนี่ยนะจุนทะมีหลายเจ้านะจุนทะฆ่าหมูก็มีจุนทะลูกของนายช่างทองก็มีแต่นี้หมายถึงจุนทะที่เป็นบุตรของนายช่างทองนั่นเอง สองท่านนี้ที่ทําบุญกับพระพุทธเจ้าการทําบุญนั้นมีผลมากมีอนิสงฆ์มากถามว่าทำไมก็ทํากับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าใช้สมาบัติมากที่สุดในช่วงนั้นแรกตรรัส อ, อนตรัสรู้กับใกล้จะปรินิพพานใช้สมาเข้าสมาบัติเท่ากันพันบินธบาต ท, ที่ถวายกับพระองค์สองคราวนั้นจึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มากส่วนตรงนี้เนี่ยนะ หมายถึงธรรมหากัสสะนั้นปกติท่านก็เป็นผ้าอรหันที่เป็นนาบุญของโลกอยู่แล้วผันถ้าหากว่าท่านเข้าพระสมาบัตยิ่งมีผลมากยิ่งมีอันนี้สงมากนิโรธสมมาบัตในที่นี้หมายถึงการดับจิตเจตสิกจริงๆนะไม่ใช่แอบไปอยู่ในซุ้มใดซุ้มหนึ่งแล้วก็บอกว่านี่นิโรธสมมาบัตนนะซึ่งสมัยใหม่นี่มีแล้วก็มีประชาชนแห่ไปทำบุญมากนะนะ ก็เชื่อว่าจะได้บุญเยอะเนี่ยนะนั้นดื่มแต่น้ำเนี่ยนะไปอยู่ดื่มน้ําน้ำบอกศักดิ์สิทธิ์อะไรของเขาเนี่ยนะก็อย่างนี้ก็มีอยู่นะถ้าศึกษาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าชื่อเนี่ยพ้องกันหลายเรื่องแต่ว่าอัะไม่เหมือนกันเพราะว่าไอ้มันมีการค้าเข้าไปปนเนี่ยนะจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าทำหนึ่งครั้งแล้วก็ได้อีกหลายตังค์อ่างี้นะ ส่วนพระหมหากรสปะนั้นท่านเข้าพระสมาบัติด้วยใจกรุณาจริงๆว่าท่านทำอย่างนี้ผู้ที่ทำบุญกับท่านเนี่ยจะมีผลมากมีอนดิสงมากถามว่าการออกจากนิโรธสมาบัตินี้ออกด้วยอะไรบอกว่าออกโดยอรหัตผตลลจิตคือเนวะสัญญานาสัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยนะจิตเจตสิกจะดับวันที่7เวลาออกก็ออกด้วย ผลสมาผลผลจิตเนี่ยนะออกด้วยผลจิตคืออรหันตผลจิตจริงอยู่ผู้เข้านิโรสมาบัติหากเป็นพระอรหรันย่อมชื่อว่าออกโดยอรหันตผลที่เกิดขึ้นหากเป็นพระอนาคามีก็ชื่อว่าย่อมออกโดยอนาคามีผลคือหลักการก็เป็นไงว่าเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเจริญวิปัสสนาเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเจริญวิปัสสนาจนถึงเข้า อ า, อากินจัญญายาตนะออกจากอากินจัญญายาตนะก็อธิษฐานว่าจะดับจิตเจตสิกกี่วันอย่างนี้แล้วก็เจริญวิปัสสนาแล้วก็เข้าเนวสัญญานาสัญญายาตนะหลังจากนั้นก็ดับจิตเจตสิกนะนะดับก็ครบเจวันหรือตามเวลาที่กําหนดผ ล, ลจิตก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นพระุนาคามีเข้าก็จะออกโดยอนาคามีผ ล, ลจิตถ้าเป็นพระุอรหารเข้าก็จะออกโดยอาหัรตผ ล, ลจิตนั่นเอง ทนี้สมัยนั้นและท้าวสักกะจอมเทพมีความประสงค์จะถวายบิณฑบาตแก่ท่านพระมาหากษ ป, ปะริย์เรื่องราวเป็นอย่างไรบอกท้าวสักกะมีความประสงค์จะถวายแก่ท่านเทวดาที่กล่าวาที่ท่านกล่าวว่ามีประมาณ500นั้นเป็นปริจาริกาของท้าวสักกะนางนั้นมีเท้าเหมือนเทาน้านกพิราบเท้าแดงเหมือนกันนะไม่ใช่แบบรูปร่างเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่าแดงเหมือนกัน เทวดาเหล่านั้นเคยถูกเทา้าสกะส่งไปด้วยพระดำรัสว่าพระผู้เป็นเจ้ามหากัสปะเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชครึกพวกเธอจงไปถวายทานแด่พระเถระจึงเข้าไปหาแล้วยืนประสงค์จะถวายอาหารทิพถูกพระเถระห้ามก็กลับไปยังเทวโลกตามเดิมว่าพวกเธอนี่ไม่รู้ประมาณของตนเลยใช่ไหมพระมหากาสปะก็ดีดนิ้วมือก็เลยกลับไป บัดนี้คิดถึงการห้ามครั้งก่อนจึงคิดว่าพระเถระจะรับในการบางคราวมีความประสงค์แกถวายทานแก่พระเถระผู้ออกจากสมาบัติจึงไม่กราบทูลให้เท้าสกะทรงทราบตอนแรกนี้เท้าสกะใช้ให้ไปใส่บาทครั้งนี้แอบไปใส่กันเองไม่บอกเท้าพร ะ, พระไม่บอกพระอินทหรอกเหมือนกันมากันเองน้อมโภชนะอันเป็นทิพย์เข้าไปถวายถูกพระเถระห้ามไว้โดยในก่อนเหมือนกันครั้งที่สองก็ถูกห้ามอีก ก็กลับไปยังเทวโลก ถ, ถูกเท้าส ก, กะถามว่าพวกเธอไปไหนมากลาบทูลความนั้นว่าไปใส่บาตรมาถูกพระห้ามเท้าส ก, กะถามว่าพวกเธอถวายบิณฑบาตแก่พระเทระแล้วหรือถูกว่าท่านไม่ปรารถนาจะรับเท้าส ก, กะถามว่าท่านพูดว่าอย่างไรเทวดาเหล่านั้นก็กลับทูลว่าข้าแต่เทวะท่านพูดว่าจะสงเคราะห์คนเข็นใจ คำว่าเข็นใจเนี่ยนะหมายถึงว่าคิดหาอะไรก็คิดหาไม่ออกอนะมันเหมือนกับว่าตีบตันทางความคิดนะนะจะคิดจะทําบุญอะไรก็ยากเหลือเกินนะคิดจะเลี้ยงชีวิตอย่างยากผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ยากยานี้เรียกว่าคนเข็นใจนะคนยากไร่ทั้งหลายท้าวสก่าก็ถามว่าพวกเธอไปโดยอาการอย่างไรกราบทูลว่าไปด้วยอาการนี่แหละไปแค่ว่าไปเต็มยศเลยนะไป รูปลักษ์ของเทวดาเต็มเปี่ยมหมดเลยก็เลยถูกห้ามมาท้าวสกา ก, ก็บอกว่าผู้เช่นพวกเธอจกักถวายบิณฑบาตแด่พระธิระได้อย่างไรก็มีพระประสงค์จัดถวายด้วยพระองค์เองจึงแปลงเป็นช่างหูกแก่ชราฟันหักผมงอกหลังคอมแม่นางสุชาดาผู้เป็นอสุรธิดาก็ให้ปลอมตัวเนี่นะเป็นหญิงแก่เช่นนั้นเหมือนกันเป็นผู้หญิงชราฟันหักผมหงอกหลังคอมทั้งคู่นั่นแหละ เนรมิต er ถนนนะนะสร้างถนนขึ้นมาเองเลยเป็นถนนของช่างหูกสายหนึ่งกำลังกรอได้อยู่นางสุชาดาก็ทําได้ให้เต็มหลอดนะเขาเรียกว่าเอาได้เข้าหลอดนะเนี่ยเาจะมีวิธีการเอาได้เข้าหลอดเท้าสักกะก็ทําเป็นตัวเองเป็นช่างทอผ้านางสุชาดาก็หญิงกรอได้ใช่ไหมหน้าสงสารสองตายายนะกำลังทอผ้ากรอได้อย่างนั้นนะแสดงว่าสร้างหนังได้เก่งมาก พระธีรานิครองผ้าแล้วถือบาตรและจีวรเดินมุ่งหน้าไปยังพระนครด้วยหมายใจว่าจักสงเคราะห์คนเข็นใจดําเนินไปตามถนนช่างหูกที่เท้าสักกะเิรมิดไว้นอกพระนครคือพระมหากระสปะไม่ได้ตรวจ ด, ดูอะไรหรอกก็คือความที่ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะท่านก็เดินไปตามด้วยกุศลจิตของท่านไปพระมหากระสปะก็ตรวจ ด, ดูได้เห็นสาลาเก่าพังพรเยอพยาบหมายว่าจะพังไี่พังแหลนะ และสามีภรรยาทั้งสองก็มีรูปร่างฟันหักผมหงอกหลังค่อมเป็นต้นแล้วกําลังทอผ้าอยู่ในศาลานั้นครั้นเห็นแล้วจึงคิดว่าสองผัวเมียนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังทํางานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีคนที่เข็นใจยิ่งกว่าสองผัวเมียนี้แล้วเราจะรับสิ่งของที่สองผัวเมียนี้ให้แม้มาดว่าผักดองเพื่อจะสงเคราะห์สองผัวเมียนี้จะได้ ผักดองก็ช่างเถอะได้อะไรก็ช่างเถอะเพื่อจะสงเคราะห์เขาอ่ะนะท่านก็เลยเดินมุ่งหน้าไปยังเรือนของสองสะผัวเมียเท้าสักกะเห็นพะเทระกำลังเดินมาก็ตรัสกับนางสุชาดาว่าเนี่ยเธอพระคุณเจ้าของเรากำลังมาที่นี้เจ้าจงนั่งนิ่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเราจะลวงท่านสักช่วขณะหนึ่งแล้วถวายบิณฑบาตนะถ้าเกิดออกไปเลยเดี๋ยวท่านไม่รับอ่ะนะหลอกๆๆท่านซะหน่อยแบบนั้น พระเถระได้ไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนฝ่ายสองผัวเมียนั้นทำเป็นไม่เห็นทำแต่งานของตนอย่างเดียวรอเวลาหน่อยหนึ่งลำดับนั้นเท้าสกตะตรัสว่าดูเหมือนพระเถระรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านเธอจงคข้ควรวญดูซินางก็ทูลว่าพระองค์โปรดไปคข้ครควญดูเอาเถิดนายแต่เขาไม่ใช้สั์ราชาศั์แบบนี้หรอกนก็ใช้ศั์สามมันนี่แหละเป็นลักษณะสองตา ย, ยายนะ ท้าส ก, ก่าก็ออกจากเรือนไหวพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์เอามือทั้งสองยันเข่าทอดถอนอยู่ลุกขึ้นถามว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ารูปไหนหนอจึงถอยไปสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าคนแก่สายตายาวนะเข้าไปใกล้มากก็มองไม่เห็นออกไปไกลๆสักนิดหนึ่งจะเห็นก็เลยบอกว่าในตาของเรานี่มืดมัวจึงป้องพระหัตถ์ที่หน้าผากแล้วก็เงยขึ้นดู ตรัสว่าโอ้ตายจริงพระมหากระส ป, ปะเทระผู้เป็นเจ้าของเรามายังประตูกระท่อมของเรานานแล้วหมายคําว่านานแล้วกว่าจะได้มาในเรือนมีอะไรบ้างหรือนางสุชาดาก็ทําเป็นกุลีกุจออยู่หน่อยหนึ่งก็ให้คําตอบว่ามีเจ้านายท้าวส ก, กาก็ตรัสว่าท่านผู้เจริญท่านไม่คิดว่าจะเศร้าหมองหรือประนีตโปรดสงเคราะห์โยมเถิดดังนี้แล้วจึงรับบาดก็ขอบาดสมัยก่อนนี้เขาขอบาดไปเพื่อจะเอาอาหารใส่ให้ พระเถระเมื่อจะให้บาตรก็คิดว่าเราควรจะสงเคราะห์คนเข็นใจแก่ชราเหล่านี้แหละหรือท่านคิดว่าจนที่สุดแล้วในเมืองนี้นะควรที่จะสงเคราะห์เท้าสกัดนั้นเข้าไปข้างในคดข้าวสุกในหม้อออกจากหม้อใส่เต็มบาตรแล้ววางไว้ในมือของพระเถระนะบทว่าอุทิตวาได้แก่ยกขึ้นจากภาชนะในไหนอาหารนั่นแหละมีสู ป, ปะมากมายสู ป, ปะแปลว่ากับข้าวนะ ในเวลาใส่ลงในบาทแล้ววางไว้ในมือพระเถระปรากฏเป็นเหมือนอาหารปอนๆที่สำเร็จแก่คนกําพาแต่อาหารนั้นเพียงวางไว้ในมือก็ตั้งอยู่โดยสภาวะเป็นเหมือนของทิพสำหรับตนตอนแรกที่ที่ที่กำลังไปตักไปใส่นี่จะดูเหมือนอาหารของคนยับหมดเลยแต่พอใส่บาทอยู่ที่มือของพระเบ็ดเสร็จหมดเป็นอาหารทิพเลยนะเป็นอาหารที่มีกับข้าวหลายอย่าง กับข้าวที่ทําด้วยถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วราดชะมัดแกงอ่อมเป็นต้นนะั่นเอก็ใครไปเคยกินอาหารข้าวราดแกงถั่วแขกบ้งการได้เคยลองไหมอย่งแกงแกงถั่วแขกกนะันไหยราดเรืงเหลืองแกงถั่วเหลืองนี่แหละถั่วเหลืองมาแกงเนะี่ยใส่เครื่องเทศไปไหนก็วันนั้นไปถึงพาราณสีมันจะเพลิไม่เพลิแหละ <c oughs> แล้วทำยังไงฉันก็บกโอ้ย ไปร้านอาหารเดี๋ยวเขาแวะบังใบมาไปเจอไอร้าบนี่แหละก็เลยได้ฉันข้าวกับไม่กล้าจะไม่ฉันข้าวฉันอะไรนะจัปตีประจัจะปตีกับแกงถั่วนี่นะเหลืองอ้อยนี่แหละได้ยินว่าบินทบาทนั้นน่ะนะเวลาวางไว้ในมือของพระเถระตลบไปด้วยกลิ่นทิพย์ของตนทั่วกรุงราชเครึก ลำดับนั้นพระเถระคิดว่าบุรุษนี้มีศัก์น้อยแต่บินธบาตของเขาในประนีตยิ่งนักเหมือนโภชนะของเท้าสักเกทวราชนั่นใครหนารู้เลยปกติกลิ่นอาหารแบบนี้มันกลิ่นอาหารของเทวดานี่มั้พระเถระทราบ ว, ว่าเป็นเท้าสั ก, กจึงกล่าวว่าดูก่อนเท้าโกสีข้อที่พระองค์แย่งสมบัติของคนเข็นใจเนี่ยจัดว่าทากรรมหนักแล้ว วันนี้คนเข็นใจบางคนเนี่ยถวายทานแก่อาตมาแล้วเพิ่งได้ตําแหน่งเสนาบดีหรือตําแหน่งเศษรเศษฐีท้าวส ก, ก่าก็กล่าวว่าใครที่เข็นใจกว่าข้าพเจ้ามีอยู่หรือพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี่จนจน น, นะนะใครจะไปะจนกว่าข้าพเจ้าอีกแล้วพระธีร่าเขาบอกว่าพระองค์นี้สวยรสิริราชสมบัติในเทวโลกนะจริงๆปกครองสวรรค์สชั้นเนี่ยจะเป็นคนเข็นใจได้อย่างไร ท้าวส ก, ก่าก็กล่าวว่าข้อนั้นเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแหละพระกุณเจ้าก็ข้าพเจ้าเนี่ยทำกรรมงามไว้ในในเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นคือทำบุญกับพวกที่ไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะแต่เมื่อพุทธบาทเป็นไปอยู่เทวบทตรมองค์นี้คือจุ ล, จจลรัฐเทวบุทมหารถฐเทวบุทเนกาวั น, นเทวบรกระทำบุญกรรมแล้วเกิดในที่ใกล้กับข้าพเจ้า เทพบุตรเหล่านั้นมีเดชมากกว่าข้าพเจ้าเมื่อเทพบุตรเหล่านั้นคิดจะเล่นงานนักขัตฤกจึงพานางบำเรอลงสู่ระหว่างถนนข้าพเจ้าจึงหนีเข้าเรือนเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรเหล่านั้นกลบร่างของข้าพเจ้าเดชจากร่างของข้าพเจ้าหาได้กลบร่างของเทพบุตรเหล่านั้นไม่ใครจะเป็นผู้เข็นใจยิ่งกว่าข้าพเจ้าล่พระคุณเจ้านะก็คือเข็นใจมากก็เนื่องจากรัศมีมีน้อยกว่าเทวดาลูกน้องเหมือนกันเถอะ เห็นแล้วเจ้านายต้องหลบให้ลูกน้องนี่มันอาภับขนาดไหนใช่ไหมเทพเทวดาที่เป็นบริวารมีรัศมีมากกว่าแสงมากกว่ามากลบจะอับรัศมีหมดเลยเนี่ยเขาเข้าแข่งกันด้วยแสงสีเนี่ยไหเพราะฉะนั้นเทวดาอื่นๆเขามีแสงมีสีมากกว่าตัวเองก็เลยแพ้เลยก็ต้องแอบหลบอยู่ตลอดก็เรียกว่าเป็นความเข็นใจนะเจ้านายที่อะไรหลายๆเรื่องแพ้ลูกน้องนี่มันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของนายเหมือนกันนะ พระธีรก็กล่าวว่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นี้ไปพระองค์อย่าลวงอย่างนี้แล้วถวายทานแก่อาตมาอย่าได้ทำอย่างนี้เองนะอย่างเงี้นท้าวสกาก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าลวงถวายทานแก่ท่านเนี่ยข้าพเจ้าจะมีกุศลหรือไม่มันเป็นบุญหรือเปล่าเนี่ยถึงทําอย่างนี้เป็นบุญไหมพระธีรก็บอกมีอวุโสเอาบุญที่ทํามันก็เป็นบุญนั่นแหละท้าวส ก, กากบอกเมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นเชื่อว่าการทํากุศลเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้านะกรับว่างั้น เรื่องการเจริญกุศลเป็นหน้าที่ของของของผู้ที่สแสวงบุญใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะด้วยวิธีใดก็ต้องทำเหมือนกันเถอเพราะเพราจะทําบุญน่ะแล้วก็นะมัสการพระเทเระนะไม่ได้รับปากนึกว่าจะไม่ทำ น, น, นะนะสรป ว, ว่าสแสวงบุญเนี่ยเป็นหน้าที่ของโยมเหมือนกั น, น, นก็เลยพานางสุชาดากระทําประทักศิณพระเถรรแล้วก็เหาะไปเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าน่าอัศจรรย์ทานที่เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกสปะ เป็นทานอย่างยิ่งนะคือว่าเป็นทานพิเศษยากที่จะได้ทําแบบนี้เขาบกที่ว่าอโหทานังเป็นต้นนะจริงอยู่เท้าส ก, กะจอมเทพเกิดพระหาฤทัยน่าอัศจรรย์ว่าเพราะเหตุที่เราได้ทําความยําเกรงด้วยมือของตนนะนะคำว่าทําบุญด้วยความเคารพยําเกรงนี่ก็คือหนึ่งทำด้วยมือของตนแต่พระผู้เป็นเจ้า มหากัสปะผู้ออกจากนิโรสมาบัติอนะข้อแรกก่อนนะทำด้วยมือของตัวเองข้อสองทำสัมมาทิฐิไม่ให้เปลี่ยนแปลงหมายค่ะว่าสัมปัญญานนำหน้านะในการให้ทานครั้งนี้เพราะมีกรรมสศกตาเป็นต้นนำหน้าไม่ให้กระทบกระทั่งผู้อื่นโดยการเป็นทานที่ไม่ได้เบียดเบียนใครมาจริงๆเป็นเป็นทานที่บริสุทธิ์จึงถวายทานด้วยโภชนะอันเป็นทิพย์เช่นนี้ เพราะเราเป็นผู้ประกอบด้วยสมบัติสามประการหนึ่งเขตสมบัติได้นาบุญเช่นกับพระมหากัสปะทา ย, ยะสมบัติก็คือได้ไทยธรรมที่ที่สมบูรณ์อาหารที่เป็นทิพย์เนี่ยนะเป็นอาหารที่ได้ด้วยผลบุญจริงๆไม่ได้เบียดเบียนอะไรมาและจิตตสมบัติเขาเรียกว่าเป็นเป็นจิตที่หลังออกซึ่งปีติและโสมนัสเป็นใจที่ประกอบด้วยสติและ ปัญญาเนี่ยนะก่อนจะให้ใจก็ผ่องใสกำลังให้ใจก็ประกอบด้วยปัญญาโสมนัตเต็มที่ให้เสร็จแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงกล่าวว่าอ๋โห้ทานนางนั้นอโหก็โอ้ทานของเรานี่น่าอัศจรรย์เมื่อทรงประกาศนั้นว่าทานนั้นเป็นทานสูงสุดที่เป็นทานสูงสุดเพราะอะไรเพราะผู้รับก็เป็นนาบุญชั้นเลิศ อาหารที่ถวายก็เป็นอาหารประนีจิตก็เป็นจิตที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาปีติเป็นต้นก็เลยเป่งอุทานว่าพระมรทานังกัสเปสุปฏิติทิตังประมรทานังนะตัวเป็นทานอย่างยิ่งจริ ง, รงๆเลยะนะเท้าสก a r เมื่อเปล่งอุทานอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหาร น, นั่นเองทรงสดับเสียงด้วยทิพยโสดแล้วตรัสแก่พิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลา ย, าลายเธอเห็นไหมเท้าสัก a r จอมเทพทรงเป่งอุทานแล้วเหาะไป พิสูจนเหล่านั้นทูลถามว่าก็เท้าสาก่านั้นทรงกระทำอะไรพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าเท้าสาก่านี้ลวงถวายทานแด่พระมหากระสปะบุตรของเราเพราะเหตุนั้นเท้าเธอพอพระทัยจึงทรงเป่งอุทานอันนี้คือเราอุทานของเทวดาน ะ, ะที่พระองค์ได้ยินนี้ก็ได้ยินด้วยทิพโสตะบทว่าเอตมะถังวิทิตวาทรงทราบเนื้อความนี้ว่าเทพก็ดี คือเทวดาและมนุษย์เกิดความเอื้อเฟื้อประพฤติรักใคร่อย่างยิ่งซึ่งบุรุษผู้ดีเยี่ยมดำรงอยู่ในคุณวิเศษด้วยสัมมาปฏิบัติก็อย่างว่าผู้ใดก็เลื่อมใสในผู้ที่ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบเนี่ยนะนะที่อธิบายคำว่าในคาถานะในหน้า 3ามสามแปดที่บอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ซึ่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินธบัตเป็นวัดนี้คําว่าบินดาปาติกะเพราะสมาทานทุดงกล่าวคือองค์ภิกษุผู้เที่ยวบินธบัตเป็นวัดแล้วจึงบำเพ็ญทุดงนั้นถามว่าคาถานี้ตรัตกระทําท่านพระหมหากระสปะให้เป็นเหตุและพระหมหากระสปะเป็นผู้เลิศกว่าทุตตะวะัตคือผู้รักษาทุดงทั้งหมดเป็นผู้ทุดงสิบามไม่ใช่หรือ เพราะเฮไรจึงระบุทุดงเพียงข้อเดียวต่อว่าเป็นการแสดงในอัถุปปติเหตุหรือเป็นเพียงเทสนาเนี่ยนะเป็นเพียงเทสนาและก็เป็นข้อปฏิบัติอันดีเยี่ยมของพระเถ ร, ะ เ, ระเพราะท่านไม่ทำบินดบินดปาติกวัตรให้ขาดเพราะท่านเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งและสงเคราะห์ตระกูล ค, คือคือมีใจกรุณาต่อตระกูลที่ยากไร้เป็นต้น ขณะเดียวกันพระมหากรสปะนั้นท่านเป็นประดุษยะท้าปิดพมโรปุผังหมายคําว่าเคยเห็นพวกแมลงผู้แมลงแมลงที่เอาน้ำหวานแมลงผึ้งะนะเวลาบินไปในสวนดอกไม้ไม่ทําให้ดอกไม้เสียสีไร้กลิ่นถือเอาแต่น้ำหวานไปเท่านั้นฉันใดผ้าหัรทั้งหลายที่ไปส่งเคราะห์ตระกูลก็ฉันนั้นไม่เบียดเบียนตระกูลเน่ยนะ แต่ก็ยังรักษาศรัทธาของตะกูลต่อไปได้พรานพระมหากระสปะเป็นพระแบบนั้นอัตถพระสะเป็นผู้เลี้ยงเฉพาะตนเท่านั้นด้วยปัจจัยสีอันน้อยเป็นปัจจัยสี่ที่ไม่มีโทษหาได้ง่ายอนันยโปศนาคือผู้ไม่ใช่เลี้ยงผู้อื่นเพราะไม่มีความขวนขวายที่จะเลี้ยงผู้อื่นมีสิบเป็นต้นด้วยการสงเคราะห์ด้วยอ ม, มิตร นะหมายถาว่าท่านจะรับลูกศิษย์เฉพาะที่แข่งขัดคล้ายๆกันถ้าไม่แข่งขัดก็ไปอยู่กับที่อื่นไปนะนะด้วยทั้งสองบทคือบทว่าเลี้ยงตัวเองไม่เลี้ยงผู้อื่นนั้นแสดงถึงความประพฤติเบาพร้อมเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่ยงของพระมหากษัตริเพราะท่านเที่ยวไปด้วยจีวรเป็นเครื่องบินทบาทบริหารกายบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งบทว่าอัตภาพร ะ, ะความว่าเชื่อว่าผู้เลี้ยงตนเพราะเลี้ยงตนผู้เดียวนี้เท่านั้นกล่าวคืออัตภาพโดยต้องการจะพูดว่าเลี้ยงตนคําเดียวไม่ใช่เลี้ยงคนอื่นจากงานนี้ไปต่อแต่นี้นั่นแหลเชื่อว่าไม่ใช่ผู้เลี้ยงผู้อื่นเพราะไม่มีคนอื่นที่ตนจะฟังเสียงนนะซึ่งภิกษุนั้นเป็นผู้เลี้ยงตนไม่ใช่เลี้ยงคนอื่น ด้วยสองบทนี้ทรงแสดงถึงการไม่ยึดถือต่อไปเพราะท่านเป็นพระขีณาสพพระขีณาสพคือผ่าหันผู้สิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีการยึดถือบทว่าเทวาปิยันติเป็นต้นเนี่ยนะความว่าเทพมีเท้าสกกะเป็นต้นกระยิมคือย่อมปรารถนาะพระขีณาสพนั้นชื่อว่าผู้เข้าไปสงบด้วยปฏิปสัสสธิอรหัตผลเนี่ยนะ เพราะสงบความกวนกวายและความเร่าร้อนอันเกิดแต่กิเลส ท, ทั้งปวงโดยบรรลุอรหัตผลสงบนี้สงบจริงๆสงบด้วยอรหัตผลเชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะมีสติตตลอดกาลทั้งปวงเพราะท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติแล้วก็สมบูรณ์ด้วยสัมปชัญญะขณะเดียวกันท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีลักษณะคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้น พระเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยังความนับถืออย่างมากให้เกิดจึงเกิดความเอื้อเฟื้อในคุ ณ, ณวิเศษของท่านมีศีลเป็นต้นจะกล่าวไปใหญ่จะพูดทําไมถึงมนุษย์เล่ามนุษย์ทั้งหลายนี่เขาเห็นพ ร, รมะมหากรสปะนี่เขาเลื่อมใสามากก็ถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีก็อย่างว่านะทุกยุคทุกสมัยพระพิสูจน์ที่ปฏิบัติมากน้อยสันโดษขัดเกลาไม่คลุกคลีก็เป็นที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเนี่ยนะ เขาบอกว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเนี่ยนะสันเลขะเนี่ยปฏิบัติขัดเกลาหรือลูขะลูขะประมาณิกาเนี่ยก็บอกว่านักบวช ท, ที่ขัดเกลาเท่าไหร่เนี่ยนะประชาชนเริ่มจะยิ่งเลื่อมใสามากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าสิบถ้ามีประชาชนอยู่สิบคนนะเลื่อมใสในการปฏิบัติเศร้าหมองของพระเนี่ยเก้าคนไม่เริ่อมใสแค่คนเดียว ปริมาณชนที่เลื่อมสเนี่ยมีมากกว่าถ้าหากว่าประพฤติขัดกราวแร่งครัดเนี่ยนะถ้ายิ่งอาหารบูดบูดเน่าเน่าชั้นแต่ประเภทนั้นด้วยแล้วคนเนี่ยแหร่เลื่มเลื่อมสายจริงๆนนะต่างจากถือทำเป็นประมาณพวกที่ถือทำเป็นประมาณเนี่ยหนึ่งในแสนอันนะัสมมติว่าแสนคนเนี่ยถือทำเป็นประมาณแค่คนเดียวแต่ถ้าหากว่าเขาบอกว่าในโลกเนี่ยที่ตั้งแห่งความเลื่อมสายมีอยู่สอย่างหนึ่งรูป สองเสียงอ่ะ น, นะหนึ่งก็คือรูปร่างผิวพรรณสาก็ชื่อเสเออสองชื่อเสียงเป็นต้นแล้วก็เสียงดีสประพฤติเศร้าหมองแล้วก็สุดท้ายก็คือถือทำเป็นประมาณไอ้ข้อ3กับข้อสนี่ข้อสหมายความว่าผู้ที่ประพฤติป ฏ, ปฏิบัติขัดเกล้ามักน้อยอดทนอะไรเป็นต้นดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยสิบคนเนี่ยจะต้องเลื่อมสายเก้าคนที่ไม่เลื่อมสายอย่างมากมีคนเดียวแต่ถ้าหากว่าถือทำเป็นประมาณนั้นอ่ะหนึ่งในแสน สรุปว่าผู้ที่ได้เลื่อมใสในพระภิกษุที่ท่านปฏิบัติขัดเกลามากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียนเช่นกับพระหมหากัะสปะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆปฏิบัติจนถึงความสงบประงับดับทุกข์เทวดาและมนุษย์ก็เลื่อมสเหล่าในท่านเหล่านั้นเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่คงที่ทั้งอารมณ์ ท, ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาท่านเป็นเนื้อนาบุญจริงๆ บุคคลใดที่มีจิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นเข้าไปหานั่งใกล้งเงี่ยโสดลงฟังท่านก็นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของท่านเหล่านั้น